วนวันนั้นก็ได้วันนั้นถึงสพนจะศาสตร์ธรรมิกกว่างเลนะครับศาสตร์ธรรมิกกว่าสิกขาบทไหนนะครับสิกขาบทที่สองวิเลคนะสิกขาบทเกี่ยวกับารติเตียนสิกขาบทนะครับเวลามีพระต้องสวดปฏิโมกขเป็นอาจารย์เราสวดปฏิโมกให้ลูกศิษย์ก็ดีลูกศิษย์นียขออาจารย์สวดปฏิโมกให้ก็ดีนะครับ ด้วยพิสูจน์นะครับลูกและลูหนึ่งกาลังสาธยายปาฏิโมงอยู่นะนะก็ไปติเตียนครับก็ปาฏิโมงครับบัญญัตินะในสํานักของท่านของพระนะครับอันนี้ต้องออกไปดีข่านไปติเตียนในสํานักของสมณเนีก็จะต้องปฏิกดดนะครับถ้าเราพูดถึงอันสง์ของพระพิเนทรงว่ามีห้าอย่างครับอันสงพระพิเนทร์มีห้าอย่างเพราะว่าการในพระพิเนี่ ไมะะ่ใช่ดีและฟุ้งร้าขาึุนมากหรือความลำพานใจนี่นะมีแต่ว่ายิ่งเรียน้นก็จะยิ่งเข้าใจเลืความโล่งใจสบายใจนครับเราจะได้อา น, นิสงส์งตั้งห้าประการนะ<ฤ>ถาแบ่งไปอา น, นิสงส์ง้าอั น, นิสงสอา น, นิ ส, ง, นนสงเจ็ดถึงอา น, นิสงส์สิบเอ็ดน่าเยอะเลยนะมีแต่ได้แต่ได้ไม่มีเสียนะครับวันนั้นก็อธิบายคร่าวๆสิรขันหมว่าข้า <c oughs> าห อ, อหอนึ่งเนี่ยศีลขันของตนเป็นอันคุ้มครองรักษาดีแล้ว จะรักษาสีได้ดีนะครับทั้งเจ็ดข้อเจ็ดกองเลยนะไปให้รักษาสีได้ดีนะครับเพราะนั่นจะรู้ว่าอะไรเป็นอาบัตเแต่อาบาดนครับอธิบายว่าไม่ต้องอาบัตดด้วยอาการน้ำหงอย่างใช่ไหมนะครับไม่ต้องอันบาดด้วยอาการน้ำหงอย่างถ้นมอกว่าไม่ต้องด้วยความอายเพราะเป็นยังไงคือพิสูจน์นี้นะครับรูปนี้เป็นพระพุทธไนทอนท่านรู้อยู่ทีเดียวว่านี่เป็นอัคติยะ ไม่สมควรนะนะครับนี่นะภาพมิเนทอนไม่ต้องนะครับคำที่บิบม่แบบนนีะ้นะครับถ้าบอกว่าไม่ต้องด้วยความผู้ไม่ละอายอย่างไรเพราะแม้เมื่อเธอรักษาการตําหนิข้อนของนะครับของผู้อื่นว่าเชิญด้านดูเธอผู้เจริญที่สุนี้รู้สิ่งที่ควรและไม่ควรอยู่แท้แท้ยังทํากลางและเมื่อภาพบรรยัติได้ดังนี้ก็ช่วงไม่ต้องจนะรินหรือา ท่านจะไม่ยอมร่วงนะเพราะว่าเนี่ยกลัวว่าคนจะมาตําหนิอย่างนี้นะครับรักษาอาการที่คนจะมาตําหนิในข้องขอดว่าท่านนะครับรู้ทั้งรู้นี่ไปทาร่วงลงเมอ่อกี้ใช่ไหมไมันจะรักษาอาการที่เขาจะมาว่าอย่างนี้นะครับท่านก็จะไม่ร่วงลงมอกอันนี้ <c oughs> ก็จอว่าไม่ต้องด้วยความผู้ไม่ละอายนะครับแสดงอาบัติที่เป็นเทศนาพาไม่ดีนะครับไม่ต้องเผลอเข้านะไปตีทุกข์ก่อนแสดงธรรมดาเนี่นะครับ จึงเกิเผลอต้องหาหาเลา่าแสดงหรือนนออกแล้วจะอาบัตสังฆดิเศษนะครับตั้งอยู่ในความบริสุทธิ์เขาจะเป็นล่างชีบุคคลนะครับอันนี้นะตอนน้องไม่ต้องไม่ละอายนะครับ น, นี่สองไม่ต้องด้วยความไม่รู้อันนี้ก็ไม่ต้องอีกเพราะอะไรเพราะว่าท่านที่ไม่พระมีเนรคองนะครับรู้แล้วลนะ่ะว่าอะไรควนไม่ควรนะครันะบขนั้นย่อดสมบูควรไม่ต้องเพราะ ไม่ไม่ต้องนะครับความด้วยความไม่รู้นะไม่ต้องด้วยความผู้สงสัยนั้นถึงนําลงไปทําไมนะก็ท่านเป็นพระมินัยนันรู้หมดแล้วนะถ้าบอกว่าเมื่อเกิดความลังเกียจสงสัยมันก็สงสัยขึ้นได้นะครับถึงพระวินัยพอนะไมันจะสงสัยไม่ได้ไปเจออะไรบางอย่างใช่ไหมครับว่าถูกบางอย่างอะไรแปลกใหม่ขึ้นมาเนี่ยนะถ้าความลังเกียจสงสัยนีะครับสิ่งที่เป็นกับปิยากับปิยานะ ท่านก็จะวิชาความรู้ความินไหนมาตรวจสอบดูนะครับดูแต่สินค้าเ ห, หมือนไหมันเข้าได้แม่เกี่ยวว่าถูกการเมอร์นะครับมาติกาจะดูนะครับภาพบัญญัณนะแม่บทว่าปฏิโมกข์ดูคาอธิบาย น, นะครับดูอาปาเนละวังดูอานาบัตไหนเป็นไม่เป็นนะ<ช> แ, ลแล้วถ้าเป็นกะเปรียท่านก็จะรู้นะครับเมื่อตรวจ ด, ดูาลารีมนก็จะรู้ว่าเนี่ยเป็นกะเพรียเป็นกบับปรียนะครับก็จะหายสงสัยถ้าเป็นอัตตกะเพรสิงคํา ถ้าเป็นกระเพี้ยนท่านก็จะไม่ทำนะครับก็จะไม่ต้องด้วยความผู้สงสัยและคิดทำนะครับไม่ต้องด้วยความเป็นผู้สําคัญในสิ่งที่ไม่ควรว่าควรเป็นต้องอย่างไรนะครับอันนี้นะผมไม่ต้องอธิบายเยอะแล้วเพราะว่าคล้ายๆกันนะครับเพราะเรารู้หมดแล้วว่าอะไรควรไม่ควรเพราะฉะนั้นจะไม่ต้องความสําคัญผิดอย่างนี้ครับนะครับจึงไม่เป็นผู้มีความสําคัญในสิ่งที่ไม่ควรว่าควร ไม่พูดมีความสำคัญในสิ่งที่ควรว่าไม่ควรเขานี่นะสำคัญผิดทั้งสองแบบนี่นะครับเธอมีสติตั้งมั่นด้วยดีเราต้องใส่ใจให้ดีนะที่พใะพิเนทรอความรู้ทนะ่านใส่ใจให้ดีเลยอธิษฐ า, า, านภาคจวนที่ควรอธิษฐานจะไม่ปลให้เกินสิบวันนะท่านจะอธิษฐานนะครับวิกัปจวนที่ควรวิกัปวิเ น, นทรอคนเชื่อว่าไม่ต้องอางบัตรด้วยอาการหกอย่างนี้นะครับพอครบแล้วนี่ขออาการนะ ต้กว่าไม่รู้ไม่ละอายใช่ไหมสงสยัยในถึงธรรมนี่ก่นนะไม่คบไม่รู้นะครับไม่ละอายใช่ไหมไม่ละอายไม่รู้นะครับสงสยัยในถึงธรรมทำไมละ่ะออมีเพอ ร, ร์สติอ๋อนี่นี่นะอ๋อใช่ครับสุดท้ายก็ได้นะมีความสําคัญในสิ่งที่ควรว่าไม่ควรมีความสําคัญในสิ่งที่ไม่ควรว่าควรแล้วก็ด้วความเพสติ ท่านบอกว่าท่านมีสติตั้งมั่นด้วยดีนะครับอย่างเงี้นะก็ไม่มีการตัง้งและห่งอังการนะครับอันนี้น่าข้อแรกที่บอกว่าศีละฐานาของตอนยังคุ้นของรักษาดีแล้วนะครับข้อที่สองนะเป็นที่พึ่งของผู้วิสูตรผู้ถูกความสงสัยครอบงำท่าบอกว่าพิสูจทั้งหลายในยรัฐนอกและใ น, นชนระบทนอกนะครับอาจจียังไม่ได้ศึกษาหนึ่งพระวินัยเยอะนะอยู่ในชนบบนะครับหรือว่าในมันต่างประเทศอย่างเงี้ยนะ มันได้อยู่ในร่างที่พระเจ้าอยู่นี่นะครับทีพระเจ้าเมันสื่อขาวบอ น, นะอยู่ในที่อื่นบางทีก็เราไมรู้ว่าไหนยังไม่ทั่วถึงนะนี่อยู่ตามชนบทนี้นะครับเวลาเกิดมีความรังเกียจสงสัยขึ้น น, น, นะ น, น, หห น, นะครับท่านเหล่านั้นทราบว่านะถ้าวินัยทอนอยู่ในวิหารหูนก็ก็จะพากันมาหาเลยเพื่อมาถามใช่ไหมแม้จากที่ไกลนะก็จะมากันนะถามถึงข้อลังเกียจสงสัยนะ่ะ นาพรับพระวินศร์ก็จะสอบสวนดูวัตถุนะครับการทุกเมื่อเหมือนนั้นะรื่งแห่งกรรมที่วิสุทธิ์คุณนั้นทํานะก็จะกําหนดชนิดอาบัตานาบัตัะว่าเป็นไม่เป็นนะคลุกาบัจะยำอาบัตหนักอาบัตเบาเป็นต้นครับถ้าเป็นอาบัตก็จะบอกใช่ไหมจึงให้แสดงอาบัติที่เป็นเทศนาขามีอาบัตเบาที่สามารถปลงได้นะก็จะให้ปลงครับให้ออกจากอาบัตุฐานนาขามีถ้าเป็นสังฆาดิเศษก็จะให้ออกนะ ให้ใต้ในความบริสุทธิ์เนี่ยอย่างเงี้นะครับชื่อว่าเป็นที่พึ่งของผู้วิสุขผู้ดูความสงสยัยครอบงำและยังข้อนึ่งบอกว่าเป็นผู้แก้วกล้าผู้ในท่ามกลางสงเป็นงไงจึงอยู่ผู้ที่ไม่ใช่วินัยทรนนะครับเอผู้ในท่นนะะามกลางสงนะเวลาผู้ในท่ามกลางสงจะเกิดความกลันกน ว, วนะครับกลัวคือประมาณนะเกิดความประมาณหรือความประมาณครอบงำ น, น, นะครับ ค่ารู้พูดอย่างเงี้ยมีพูอย่างเง้มีโทษไม่มีโทษนะถ้าบอกว่าความกรัวนั้นจะไม่มีแก่ผ้ามีในทองเพราะเหตุไรเพราะรู้ว่าเมื่อพูดอย่างนี้มีโทษพูดอย่างนี้ไม่มีโทษแล้วจึงพูดนะครับแล้วก็ใส่ใจให้ดีนะคำพูดของคนอ่ะมันอยากมีโทษอยากไม่มีโทษใช่ไหมครับแม้แต่ผมเองก็ยัมีบางทีนะคําพูดนะครับยิ่งข้ามทางสองเนี่ยเราต้องใส่ใจให้ดีนะ มันจะมีคำพูดที่เป็นโทษในทางการสงคนะครับการพูดซักคนอื่นอย่างเนี่ยนะนะครับพูดไม่ให้โอกาสคนอื่นเนี่ยพูดของคนอื่นเนี่ยนะก็ไม่พูดควรนั้นนะครับเราใส่ใจดีถ้าคนที่เข้าแบบเขารู้จักพูดนะเขาจะไม่มีลักษณะพูดอย่างนี้นะครับยิ่งพูดพูดแนบแนมกระทบกระเทียมว่ายิ่งหนาอะไรนั่นนะมันไกลเลยนะครับอันนั้นไม่ได้เลยนะเขาจะไม่ทําหรอกนี่เป็นคําพูดที่มีโทษท่าประสงค์นะครับ แต่ถ้าในผู้ที่เขาฉลาดเขาลุกเขาจะไม่พูดอย่างนเ้นหรอกผมยกตัวอย่างในที่อาจารย์ลพองนี้นะนี่พูดได้ดีมากควรท่องการส่งนะครับท่านจะติเรียงคําพูดที่มีโทษนะครับท่านจะรู้จักพูดนะเวลาพูดกับพระสุนทหรือว่าเสนออะไรผมดูแล้วท่านอใจอยู่ีน่าก็รอบครอบนะครับพอเราฟังกรู้สึกสบายใจนะเพราะเป็นคำพูดที่มันมีโทษนะครับมันไม่ใช่ลักษณะที่ไปข่มหรือว่าการทบกระแทกอะไรไทยนะมันไม่ทําให้รู้สึกแน่นอนครับ เ <N ee> นี่ยมันต้องใสยใจให้ดีนะเกวการพูดในท่าทงส่งนะครับทีนี้ครับก็ยกตัวอย่างกูบางจากาจมานะ้เขาพูดได้ดีรายได้ไปเยีย่ยมยงครับพอตอบไปยุคภาษาเยอขึ้นด้มไหม <c oughs> มันก็ต้องรู้ภาษละาัวันถ้าไม่สื่อก่อนนะไอ้ใ่นมันก็ต้องรู้ว่าอะไรคนพูดควพูดเพราะว่าพูดบางอย่างพูแล้วอาจจกดความสามัคคีคพูดบางอย่างพูดแล้วกาจจะกความแตกสามัคคีได้ <c oughs> ต่อไปนะครับข้อนี้น้าสนนะบอกว่าสามารถอะไรเนี่ยอะไรนะค <c oughs> มขีนะครับว่าชนผู้เป็นค่าตศึกนะในสาว่าราสามารถขมขีเราชนผู้เป็นค่าตศึกนะได้ลาค่าตพีเราโดยสารพันธ <c oughs> อันนี้พูดถึงว่าผู้เป็นค่าตศึกมีสองจำพวกคือผู้เป็นค่าตศึกแก่ตอนเ็นจำพวกหนึ่งนะครับ ผู้เป็นข่าศึกปก่ศาสนาจําวนพวกหนึ่งนะครับบรรดาชนผู้เป็นข่าศึกสองจำนวนพวกนั้นพวกวิสุทธิยะภูมิชะกันะครับที่ต า, า, ร, า, าราวีนะพระท้าท่ามลบาทใช่ไหมและก็เจ้ามริดฉวีชื่ววัดท่านะครับอันนี้เ่าจะไปเจอข้างหน้านะเจ้ามริดฉวีชื่ววัท่าเนี่ก็เป็นโยมนะครับเป็นพระราชาอะไนะที่จะทงาร่วมสายพระเมตยาภูมิชะกันะครับและถูกสองคนอยุ่ยแย่นะ ให้ไปโจกกัทถภาพามลบุตรนะครับว่ากัทถภาพามลบุตรไปทําอะไรกับเมียแก น, นี่สองคนยังตางนามีขนาดนั้นนะตอนแรกไปบอกพิชุิติมิติยาใช่ไหมให้ไปฟองพระเจ้าว่าพระทัพมามีอะไรกับพิชิติมิติยานนครับนี่ไม่พอเนี่ยไปยุ่ยแยโยมนอีกนะครับเจา้าดิฉัีนะให้บอกพระเจ้าว่าเนี่ยจเจ้ากาัทถภาพมลบุตร น, นะมาปรรทุศร้าภรรยานตนเองนะครับนี่อยรางนันครนี้ชื่อว่าคุณฆ่าศีตนเองนะครับ โจดด้วยอันติมัตวัตถุอันไม่มีมูลว่าจดประท่ธธาพมะมรรุบนะครับด้วยอาบัตปลาที่ไม่มีมูลอันนี้นะพวกนี้ยชื่อว่าผู้เป็นฆาตึแก่ตนนะครับหรือนะครับก็หรือชนผู้ทุศีลแม้เหล่าอื่นนะชื่อว่าซึ่งเป็นผู้มีธรรมเวลาเมกทั้งหมดนะครับวันนั้นก็ชื่อว่าผู้เป็นฆาตศึกแก่ตนเองนะพะจะตามมามีตาหาเรื่องอะไรนี่ใช่ไหมนะครับฆาตศึแก่ตนส่วนพระอริหนะเนี่ยภิกษุนะครับ กาประกาศสา ม, มเณรเนี่ยพ่อโบนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมคัดค้านทำอย่างไรพระพุทธเจ้านะครับพวกนี้ไม่ใช่ข้าใหส่วนตนเลยนะคิด ว, ว่าข้านต่อพระศาสนาเลยนะครับมีการคัดค้านนะสแสดงอะไรที่หนอกทำนอกที่ไหนนะครับพวกนี้แล้วก็วิสูวชีบุตรชาวมนเวสารีผู้มีความเห็นวิปริตอที่อะไรนะการทำสังขยาครั้งที่สองใช่ไหมเห็นมาจากที่สูชาววิสูวบุตรนะครับ แสดงว่าถูกสึบประกาศนะครับใครนึกออกผมนึกไม่คมนะเที่ยงอะไรสองปุรีใช่ัหมก็ยะสามารถฉันได้นะครับสุราอ่อนๆนะ้อะไรก็ฉันได้นะครับสามารถเก็บเกลือเอาไว้ผสมกินกับอาหารได้นี้นะครับอาศนะไม่มีชายก็ติดหารใช้ได้นี้นะครับแล้วก็เงินทองก็รับได้นี่นะ แปลกเยอะเนี่ยพวกนี้น่ารนะครับเนี่ยอธิบาเรื่องรอบทองนะมีตั้งแต่สมัยน่ารัะครับต้องทำสับขายาข้อที่สองนะเงินทองก็รับได้ไม่แพ้จำได้แค่หนะ้าไปดูก็แล้วกันในพระวินัย่ิดกนะครับในอะไรนะเกี่ยวกับสังญยาหนาเนคะี่ย <Okay. S 1> อืมครับนันแต่สิบข้อเลยนะพวกนี้นะครับก็แสดงอะไรที่นอกทกองรอวิ น, ยนัยใช่ห ถือวเป็นข้าสุตปชาศาสนานะครับทุนนี้หนักเลยนะและพิสูนนะครับพวกพิสูนฝ่ายมหายา น, นี่การหาสังกิกรรมเป็นต้นนะครับซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ประดูปหาลอัญญะกังขาและปรามิตรนานะครับหน้าที่ประดูปหาละนี่เป็นยังไงเขามีความเชื่อว่าถ้าอรหันยังมีหน้าสุจิอยู่นะครับ <c oughs> และก็จะมีเทวดาผู้เป็นฝักฝ่ายแห่งมาร มาเก็บน้ำสุจีของพาระอรหันต์ไปครับทีดอย่างนี้นะจริงๆพระอรหันตไม่มีนะ้ำสุจิแล้วนะครับน้ำสุจีจะมีได้ไม่ใช่เกี่ยวร่างกายอย่างเดียวนะเกี่ยกับจิตที่เป็นกิเลสดูราคฆาด้วยนะครับมันเป็นน้ำที่เกิดมาจากจิตนะเกิดมาจากกุศลที่เกิดลาย้ า, ากลุ่งตรงนัน้ น, นนะครับมีพระอรหันต์ละลาฆาได้สิบแลใช่ไหมน้ำสุจิตจะไม่มีแล้วนะครับแต่พวกนี้อย่างที่ว่ามีหรือว่าจะมีเทวดาหรือมาเก็บเออ แล้วก็อัญญาเนี่ยพรารหันก็ยังมีความไม่รู้นะครับการค้าพ้ารหันก็ยังมีความสงสยัยและกล้าวิจารณาพระรหัสก็ยังหายสงสยัยนะครับนด้วยการบองคนอื่นได้นี่นะครับเอาเป็นของพระที่อย่างนี้นะทําการยกย่อนะครับปล่าวอ้างคำสอนไม่ใช่พุทธศาสน า, ศ า, ศาว่างเกล้าพระศาสน า, ศ า, ศาชื่อว่าผู้เป็นข้าสิเกพระศาสน า, ศ า, ศานะครับ <c oughs> อย่างแม้แต่มหาญาณสมัยนี่นะ คำสอนเขานะครับผิดแปลกจากธรรมเนียมมุขพระเจ้าเยอะเลยนะอย่างเช่นพระบทิศสั่ยอย่างนี้ใช่ไหมจะเยอะนะครับเรื่องนิพพานก็อะไรดินแดงจุฬามาีอะไรใช่ไหมนั่นไม่ถูกต้องเหมือนเขาเยอะแยะมากมายเลย <c oughs> เขาไม่ได้ถือตามคําสอนนั่งเลยมุพระเจ้าทรงสอนไว้นะเขาจะถือตามครูบาอาจารย์นะครับ อ, อ, า, จ า, อ, า, จ า, อาจารย์นั้อาานอาจารย์นี้นะถือทอดระมาณนะครับจะมีอะไรบ้างอาจารย์นะ ท่านอนาคาระชุนถ้ามีมลเกียรติอะไรเนี่ยพระโพที่อะไรเนหลายหายอย่าง น, นั่นที่เรียกปฏิญญา น, น ะ, ะ, ะโพที่อะไรไม่เข้าหลอกอะไรจําชื่อไม่ได้นะพระโพธิสัตว์ฟิพาอะไรไม่เข้านะแต่เยอะหน่อยเขาถือตาอ่างนะนะครับซึ่งเป็นเรืนน่องนอกทรรมนอกวิหารเยอะแยะนะครับไม่ได้เลยน่าชื่อว่าเขาแสดงสิ่งที่ไม่ใช่คำสองพุทธเจ้านะว่านีแ่แหละเป็นคําสอนเจ้าเป็นพระพุทธศาสนาแต่อันนี้ไม่ใช่ ชื่อพูดมาฆ่าศีกษาศาสนาะไรนะอือครับไม่ได้อะไรนะจะธรรมาสนาให้เสื่อมนะครับอยานี้เพราะว่าธรรมาสนาให้เสื่อมยังไงเพราะเมื่อประกาศสิ่งที่ไม่ใช่คําสอนเป็นคําสอนใช่ไมมันก็คือการบิดเบือนนั่นเองใช่ไหมครับไม่คนก็ไ ม, ไม่ได้สนใจคาสอนเดิมไงก็จะไปเจาสิ่งที่ม่ใช่คําสอนเนี่ยแล้วก็ศึกษาแต่ น, นั้นใช่ไหมครับคําสอนเดี๋ยก็ลากทิ้งไปนี่ครับแล้วก็จะสากซื้อไปในที่สุดใช่ไหมอืมอครับช่วยค่าสีกษาศาสนาเลย <c oughs> วินัยทรมุขคนเนี่ยจะข่มขี่ชนผู้เป็นฆ่าสิ่งเหล่านั้นแม้ทั้งหมดให้รับฆ่ากันนะครับเพราะวินัยทรมุ ข, ขาสามารถนั่นจะข่มขี่ได้โดยประการที่พวกเขาไม่สามารถผลิตศัพท์ศัตธรรมขึ้นได้โดยสัตธรรมคือโดยคำเป็นเหตุร่วมกันนะครับก็สามารถชี้แจงอธิบายถึงผลตามพระวินัยใช่ไหมแล้วก็ลงกองจำแบบวิสุลักษณ์นี้ได้นะครับโดยชอบธรรม และก่สุดท้ายนะครับบอกว่าเรเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความตั้งมั่นในพระศัทธธรรมนะครับพระศัทธธรรมนะแปลว่าอะไรในพิธามใช่ไหมครับศัทธธรรมแปลว่าอะไรคไรับชองจำได้ัหมในปริเสธที่หนึ่งนะบอกว่าศัทธรรมโอ้อยังรรยังังงศัทธรรมนะครับ ออทำของสตรอง บ, บุรุษนะครับถูกต้องนะครับตอนสมัยเดเ็กนั่งเรียนนะอาจารย์เขาถามว่าธรรมะคืออะไรใครตอบได้ให้หนึ่งร้อยผ ม, <c oughs> ผมก็อยาก็นตอบได้เรื่องจรีห น, นึ่งไม่ตอกเขาบอกเนี่อาจารย์ใบ้าห้น่ธรรมะคือพระธรรมนี่ธรรมะคือพระธรรม่ำไม ใครตอบด้ให้ห้าบาทเผลอห้าบาท อ, าไไอมก็เลยตอบมาถ้าทำคือคำหั่งสังพระพุทธเจา้าเอง น, นะครับเอาอะไรฟูมาให้ห้าบาทท่านเองก็ได้แค่ห้าบาทเนี่ยภูมิใจนะตอบได้ทันนี้นคะครับศัท์ธนะ <c oughs> บรรดาสัตยธรรมสมอย่างนะก็จะมีปริยัตใช่ไหมปริยัตครับปฏิเบปฏิบัติและก็อธิคมก็คือปฏิเวทนะครับ <c oughs> ถ้าพูดง่ายๆสัตธรรมนะในที่วิมพัฒธรรมรัตนนะใช่ไหมครับก็มีอะไรมากสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งเป็นก้าใช่ไหมครับแล้วก็ปริยัตอีกหนึ่งเป็นสิทนะครับรธรรมมากสิทนะ แต่ว er ่าย่อใี้ย่อได้เป็นสามแบบปริยัตปฏิบัติปฏิเวณนะครับปริยัตคือนะไรคือพระไตรปิฎกทั้งสิ้นนะครับพระพุทธพจน์คือพระไตรปิฎกทั้งสิ้นเลยเนี่ยชื่อว่าปริยัติสัจธรรมนะครับแล้ส่วนปฏิบัติสัจธรรมก็คือผู้ดองขั้นคุณสิบสามขันธกรว่าสิบสี่มหาว่าแปดสิบสองชื่อว่าปฏิบัติสัจธรรมนะครับตอนนี้เกี่ยวข้อปฏิบัติใช่ไหมว่าน้อยวัดใหญ่ต่างๆครับ มายในการปฏิบัตบิวัดเหล่านี้นะครับในเหตุการถือทุปองต่างนครับในการขัดกล้าหน้าเนี่ยเข้าในขั้นปฏิบัติแล้ว น, นะครับช่วงปฏิบัติสัจธรรมนะครับเร <c oughs> ต้องไปอยู่วัาปั่นเพื่อไปถือทุปนะองนี่อยู่นี้ก็ได้นะครับถ้าว่ามีกําลังใจเข้งแข็งสามารถทําได้นะไปเอาซักข้อเ <c oughs> มื่อก่อนเคยไปหาเรื่องทุปองก่อนศรัทธานนะผมก็ลองดูนะครับจําไม่ได้ซักขนะ้าวน่ะ แล้วมาเชื่อมนั่นกิเลสของไม่ไหวกิเลสไม่ไหวนะเลิกเหมือนเขาเลิกนะผ ม, นะมาางข้อนะเนี่ยเขานี่ว่าแต่ชั้นมือเดียวครับพอดีช่วงหลังมันไม่ไหวนะกิเกลสร้องเรียกนะนะครับเป็นปัญหาเลยนะครับแต่ถ้าไปอยู่ว่าถ้าเราได้ครูบาอาจารย์ที่เขาแน่นอนหรือเป็นวัดที่เขาให้ถือนะนั่นจะทําได้ดีนะครับนี่ถ้าคนมีใจเข็งแข็งนะเขาทําได้นะครับชันมือเดียวถึงภาคสามผืนนะ มไม่รู้ว่าวัดไหนว่าต้องวัดวัดป่าวัดหนองปากพงไม่ไม่รู้ว่างไรอีกนะเมื่อยดืสายนั้นนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยหชื่อว่าปฏิบัติธรรมนะครับโอ้อันนี้ไม่ใช่ผมก็ใช่ใช่ถูกถูกนะนะแล้วก็มั่งสี่ผลสี่นี้นะครับชื่อว่าอธิคมสัตยธรรมปฏิเวทนะ <S <S <ผ>มั่ผลใช่ไหมตัวสะพงางว่าอะไรนะมั่งผลนะครับชื่อว่าปฏิเวทสัตยธรรม เวลาที่ข่มสัตว์ทำนะครับใครคิดอยากจะถือในสัยชิงรู้ไหม่าในสัยชิงเนี่ยไม่นอนนะครับใช้อิริยาบุษาถ้าอยากจะถือเด็กทำเวลาที่นะครับนอนเด็กผมข้ามละอะไรครับขยืนเดินแล้วก็นั่งนะครับไม่ถือการนอนนะครับนั่งหลังได้ครับแต่เขาไม่ให้นอนครับ พก็ได้นะครับเพาะมันจะมีอย่างอกกฤิแล้วก็อย่างกลางแล้วก็อย่างหย่อนใช่ไมอกอลิตมัคือไม่หย่อนท้อถ้าอย่าแบบอย่างหย่อนเลยนะถ้าก็ยังมีใช้สนักพิงได้นะครับก็อี้อะไรนะที่เอาพิงเอาหลังพิงได้แต่จะไม่นอนลาดเลยนะครับได้นะครับได้ทอมันไม่ถึงกับไอเดียบนอนจนัรา โอ้ยเยอะเลยแต่ละข้อเนี่ยพูดอันนี้สองเยอะมากเลยนะอันนี้เป็นการขัดกาวนั่เลยนะครับแล้วก็ชิ้สก็แบบมันจะไม่กังวลไงเบาอะไรหลายอย่างนะี่นะสมมว่าเป็นปัจจัยด้วยความคนทุกไงครับอันนสองเยอะนะต้องการอนนสองพิศษสานีช่ไหเออเออออเออเออเออเออเออเออเเเออเ 16หกปีใช่ไหมมีอการอะไรผิดแค่วันหนึ่งแล้วหนึ่งใหม่เลยแล้วหนึ่งใหม่เลยยิ่งกว่าสิกขมานานี่ก็ถือศีลหองปีใช่ไหมแต่สารย์นี่จะทำสหกปีใช่ไครับแม้แต่วันสุดท้ายแล้วไปขาดมานั้นนะครับต้องนับหนึ่งใหม่สิบหกปีแลยอุ้ยเนี่ยธรรมนาครับแต่นัจเนอาจายาซานีทธรรมนาไเนี่ยต่างกยกรรมจีกรรมหนกรรมก็ได้เยอะเลย นายไปดูนะเรียนเรียนรชมครัทุดดงการจำพอจบแล้วใช่ไหมครับอ๋อาคุณทุดดองแล้วจุดองนั่นนะครับได้คุณลืจะมาในสองนะจ้งเขาบอกหมดแล้วใช่ไหมครับวิีปนะครับอันนี้นะครับที่บอกว่าทาสองข้อเนี่ยเขียงกันเรื่องปริยยาดปฏิบัติอะไรเป็นร่างเานีในนกาก็จะมีาขึ้นย แค้จบตรงนี้กับเน่้อสภาพขึ้นแบบนี้เดี๋ยวแค่นี้นะนั่นก็จะพูดถึงนะครับที่สุดทั้งหลายเอ๋เนี่ยเขาบอกนะครับ <c oughs> เรื่องเกี่ยวกับพระธรรมกะถึกนะแล้วพระเถระบางพวกนะครับได้แก่พระธรรมกะถึกทั้งหลายใช่ไหม พระธรรมากัลถึกเนะี่ยบอกว่าพระปริยัตนะนะินะครับเป็นล่างาของพระศาสนาส่วนพระเถระผู้ถือภระบางสมคุณเนี่ยบอกว่าปฏิบัตินะครับเป็นล่าของพระศาสนานะครับบอกการปฏิบัติเป็นล่าของพระศาสนาครับทีนี้อันนี้จะเล่าด้วยฟังนะท่านบอกว่า ได้ยินว่าในเกาะ น, นี้นะครับในเกาะลังกานะซึ่งมีภัยใหญ่สมัยพระเจ้าติสซาผู้ดูร้ายเป็นพระราชาผู้ดูร้ายเบียดเบียนนะเบียดเบียนประชาชนชนหมินเบียดพรสงฆนะครับพระสงฆ์ก็อยู่ลําบากนะครับพระราชาผู้ดูร้ายมากนะพระสงฆ์ก็อยู่ไม่ได้ลำบากครับต้องหนีภยัยกันนะเท้าสกัดเทวล่าจึงได้ในนมิตแพัใหญ่ขึ้นแล้วบอกกับพิสุทธ์ทั้งหลายว่าจังเกิดภัยใหญ่นะครับ ผลจะไม่ตกต้องแตงวิญญาณการพิสูจนทั้งหลายเมื่อเราบาดด้วยปัจจัยทั้งหลายจะไม่สามารถดำรงภาพปริยัตไม่ได้ควรที่พระพุ็นเจ้าทั้งหลายจะไปยังฝั่งทะเลอื่นนะครับและรักษาชีวิตไว้จงขึ้นแพใหญ่นี้ไปเถิดเจ้าข้าที่นั่งในแพใหญ่นี้ไม่พอเหตุพิสูุเหล่าใดพิสูุเหล่านั้นจงท่าปอกไว้แม้ที่ขอนไม้ไปเถิดพิสูจนทุกรูปจะปลอดภัย ด้วยลิตของท้งวส ก, กานะในการนั้นพิสุหกศิรูปไปถึงฝั่งทะเลแล้วได้ทํำกติกาไว้กล่าวนวะ่านณที่นี้พวกเราก็ามีความจําเป็นจะต้องไปนะครับพวกเรารวมกันอยู่ในที่นี้แหละจะลังหวะสามก็ได้บิดอกไว้นะครับดังนี้แล้วสองหกศิรูปไม่ได้ข้าไปนะไม่ได้ขึ้นเรือไปเท่านะครับที่มาถึงฝั่งทะเลนะครับอยู่ที่นี่นะ แล้วกลับจากที่นั้นไปสู่มลายชวนาบทนะครับด้านทิศทางศิลนะเลี้ยงชีวิตด้วยเน่าไม้รากไม้และใบไม้อยู่เมื่อร่างกายยังอํานวยอยู่พิสูจนทงหลายก็นั่งทําการสาธยายพอรักษาพระปตรปิฎกนะครับเมื่อร่างกายไม่อํานวยใช่ไหมก็คุมทรายไวเอาทรายคุมไว้ที่ท้องนะครับร่างกายอํานวยก็ยังมีเรี่ยวแรงหน้าแล้วก็ทําการสาธยายพอมันหิวมันอะไรมากๆใช่ไหม ก็แทรผูดพ้อไว้นครับหันศีรษะไปทางเดียวกันรอบกองทรายไว้นะครับพิจารณาปริยัติโดยทํานองนี้ตลอดสิบสองปีนะครับที่อยท้องถายก็ได้ส่งปัจจัยพิดกพร่องมาในตถาถาทำให้บริบูรณ์เมื่อภัยสงบพิสูจน์เจ็ดร้อยลูกนะครับมีได้ธรรมะขละงหนึ่งตัวแม้เพียงชนะหนึ่งตัวในปัจจัยพิดกให้เสื่อมไปจำได้หมดเลยนะในสถานที่ตนไปแล้วได้เข้าไปในมีหาร มันจะลาลามในกณคามชนบทที่สูดทั้งหลายหกสิบรูปนะครับที่ยังเหลืออยู่ในเกาะ น, นี้ได้ฟังเรื่องราวของฟาสิีนาทั้งหลายที่มาแล้วจึงไปด้วยคิดว่าเราจะเยี่ยมฟาสิีนาทั้งหลายเมื่อ ต, วตวรวจสอบปัจจัยพิดกับฟาสิีนาทั้งหลาย <c oughs> ก็ไม่ได้เห็นแม้ขละตัวเดียวแม้เทียนชนะตัวเดียว ท, ที่ไม่เหมือนกันก็เหมือนกันลงกันหมดเลยแม้ผิดเพี้ยนะครับเรื่องราวนี้ได้เกิดขึ้นแก่ฟาสิีนาทั้งหลายนักฐานที่นั้นว่า เนี่ยภาคตรียกเป็นมูลราาของศาสนาหรือพระปฏิบัติเป็นมูลภาคเถรนัผู้ถือภาคมังสุคุณเป็นวัดทั้งหลายกล่าวว่าถ้าปฏิบัติเป็นมูลครับส่วนภาคธรรมาะถึงทั้งหลายเข้ากล่าวว่าภาคตรีแยกเป็นมูลครั้งภาคเถรนัคทั้งหลายได้กล่าวกับวิสุเหล่านั้นว่าครั้งนั้นนะภาคเถรนัคทังหลายได้กล่าวกับวิสุเหล่านั้นว่าใครๆไม่อาจจะเข้าใจได้โดยเพียงถ้อยคำของท่านทั้งสองรูปใช่ไหม ขอท่านจงชักเอาประสูตรที่พระจินเจ้าตั้ไว้มาสาธกนะครับเนี่ยการเช่าประสูตรมาไม่ใช่เป็นหน้าที่ <c oughs> เพราะเหตุนั้นพระเสนาผู้ทรง่ระสุกุลเป็นวัด น, นะครับก็อ้างเลยนะที่อา้างที่แล้วอ้างประสูตรมาว่าดูก่อนสุภะทะที่สูตทั้งหลายเหล่านี้พึงอยู่โดยชอบโลกก็มันถึงว่างเปล่าจากความหลอนทั้งหลายดูก่อนหาบุพิษสตุสามีการปฏิบัติเป็นมูล ดูก่อนหาบุคคลศตุสามีการปฏิบัติเป็นสาระการปฏิบัติเมื่อตั้งอยู่ศตุสาย่อกตั้งอยู่นะเนี่ยก็คุณพระเจา้าของนี้ก็ามายกมาแสดงที่นั่นเลยพระธรรมสูตรทั้งหลายนะครับฟังก็สูตรนี้แล้วจึงช่างเอาพระสูตรนี้มานะเพื่อยืนยันบาตะของตอนว่าพระสูตทั้งหลายยังดำรงอยู่ต่งางใดภาพวินัยยังรุ่งเรืองอยู่ต่างใดคนต้องหลายจักเห็นแสงสวา่าง เหม да. ือนพระอาทิตย์ขึ้นอยู่ตรามเมื่อนะครับนะเหมือนเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นอยู่ตรานั้นเมื่อประสูติทั้งหลายไม่มีอยู่และพระวินัยเรียนหายไปความมืดก็จะมีในโลกเหมือนเมื่อพระอาทิตย์อัสดงแล้วฉะนั้นเมื่อประสูมีการรักษาไว้แล้วการปฏิบัติก็ย่อมเป็นนั้นได้รับการรักษาแล้วนักป่าตั้งอยู่ในการปฏิบัติย่อมไม่เสื่อมไปจาก ทำกเกษมจะโยคะดังนี้นะครับเนี่ยเมื่อพระธรรมกฐิ น, นช่างประสูตุนี้มานะครับพระสิทธาผููถุป้ า, มาโมศุนวัฒน์ทางหลานก็ดุสนียภาพ น, นะครับก็ยอมรับนะว่าพระปริ ย, ยัติเป็นมูลเป็นแล่าเงาะมัสสนานะครับ <c oughs> นะบทีนี้ถ้าก็ยกตัวอย่างเหมือนอะไรนะครับเหมือน อ, อย่างว่าเมื่อไม่มีแม่โคนมใช่ไหมถ้าแม่โคไม่มีนะครับ ผู้รัษาเชื้อสายในระหว่างโคร้อยตั ว, ร 1, ตวหรือโคพันตัววงหนุ่เชื้อสายนั้นก็ไม่สืบต่อกันมิแต่วัตัวผู้พันตัวเนี่ยพอมันตายแต่ก็หายหมดใช่ไมนี่วัวตัวเมียเลย <c oughs> นะครับ <c oughs> <c oughs> นะีเนี่ยนะครับทีนี้ถ้าเมื่อมีวัตัวเมียอยู่ก็ยังสืบทอดไปได้เร่อันนี้เมื่อมีแต่พิสูเท่านั้นผู้ปกรองพิปัสนาไม่มีคนเรียนเลยนะครับก็มีแต่ปฏิบัติเรื่องพิปัสนาอย่างเดียวนะ แม้ตั้งร้อยตั้งพันเมื่อไม่มีปริญญาณนะครับก็ปฏิบัติกันอย่างเดียวนะไม่มีปริยญนั่นนะครับไม่มีแบบแผนเทียบเทียมเปรียบไม่มีแล้วชื่อว่าการแทงตลอะอายุยอมากก็ย่อไม่มีเหมือนกันชันนั้นนะครับแล้วถ้าจะปฏิบัติยังไง่ะไม่มีคำอินเตอรใจหนยไม่มีคําสอนใช่ไหมก็ปฏิบัตินามแนวแต่ละท่านแต่อาจารย์ไปนะครับเออข้าก็ไม่มีการบรรลุนะ ไม่ได้นะครับนั้นต้องมีใบแผนอันนี้ท่านก็เหมือนกับแผนที่ไงเหมือนอย่างว่าเมื่ออากาศทั้งหลายที่แผ่นหินนนะซึะ็นแผนที่หรือลายแทง น, นะครับอั น, นเขาเข้าไปผูกไว้เพื่อต้องการจะดูหมอกหุมนซับใช่ไหมเขาจามอักขระลงไปในแผ่นหินเลยนะครับเขาบอกว่าอักขระทั้งหลายยังทรงอยู่ตราบใดหมอกหุ่นซับ ก, ก็ยังเชื่อว่ไม่หายไปตามนั้นใช่ไหม เขาจะดูตามขลังตามลายแทงใช่ไหมัแล้วก็ไปตางหากขืนซอกหน้า น, นี่นะอันนี้เมือ่อพระปริยัติยังทรงอยู่ท่าสนะก็ช ว, ว่วไม่เป็น่นตระทานไปเหมือนฉันนะแม่นเทียว น, น, นี่นะก็จบนะคะระับขอบคุณก่อน